แล้วก็ต้องให้รู้ด้วยว่ามีอะไรเป็นเครื่องล่อให้เกิดเวทนาอันนั้นและเมื่อไม่แพ้ทุกขเวทนายัางตั้งใจไว้มั่นต่อไปทุกขเวทนาก็จะค่อยๆสงบไปราวนี้ไม่ได้รับสุขเวทนาคือความสบายก็ต้องให้รู้และก็ต้องให้รู้ด้วยว่าอะไรมันเป็นเครื่องล่อสุขเวทนาเช่นว่าได้รับลมเย็น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 ก็ต้องให้รู้ว่าความโง่นั่นเองมาทำให้เฉยเฉยแต่เมื่อปฏิบัติตั้งจิตให้มั่นต่อไปจนเกิดความรู้สึกเป็นอุเบกขาเพราะจิตสงบนั่นแหละเรียกว่าเป็นอันเจริญการปฏิบัติสูงขึ้นคราวนี้ก็ต้องให้ดูเข้ามาถึงจิตใจจิตใจเป็นอย่างใดก็ต้องให้รู้และจิตใจนั้นเป็นฝ่ายที่เป็นกิเลส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 มีหรือไม่พยาบาทมีหรือไม่ทีนามิธาความงงงุลเคลืบอนเคลิมมีหรือไม่อุทธจักกุจจักความฟุ้งซ่าน ร, รำคาญมีหรือไม่วิจิกิจฉาความเคลืบอนแคลงสงสัยมีหรือไม่มาเหตุผู้อ่าน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 ในหมวดธรรมานี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้กำหนดให้รู้จักนิวรให้รู้จักขันหาให้รู้จักอายตนาะให้รู้จักสังโยชน์พร้อมทั้งให้รู้ในด้านสงบระ ง, งับและวิธีปฏิบัติก็ตรวจดูลู่ทางให้รู้ให้ทั่วถึงแต่ว่าการกำหนดใจให้เป็นสมาธินั้นก็กำหนดอยู่ในอาณาปานสติเป็นหลัก